ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวเรื่องความช่วยเหลือของงูและปลาณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าเศรษฐีคมเศรษฐีผู้นี้เป็นผู้มีจิตเมตตาและยึดถือหลักอหิงสาเป็นที่มั่นด้วยคุณธรรมเช่นนี้ทําให้เศรษฐีคมเป็นที่รักของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้มากวันหนึ่ง เศรษฐีคมพาภรรยาและลูกน้อยวัยต่อแตะไปเดินเล่นในสวนดอกไม้ข้างคฤหานซึ่งอยู่ติดกับชายป่าขณะที่สามพ่อแม่ลูกกำลังสำราญใจอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยผ่านมายังใต้ต้นไม้ใหญ่ที่คนทั้งสามกำลังนั่งพักชมธรรมชาติอยู่ภรรยาของเศรษฐีคมกรีดร้องอย่างตกใจและอุ้มลูกขึ้นจากพื้นดินทันที ฝ่างูเห่าเองก็ตกใจมากมันรีบชูคอแผลแม่เบี้ยทันทีเช่นกันพี่จ้ะข้ามันสิเถิดพี่งูเห่าตัวนี้อันตรายต่อลูกของเราจริงๆแต่เศรษฐีคมกลับตอบกลับมาอย่างนิ่งสงบว่าพี่จะไม่ฆ่าเขาหรอกเพราะเขายังไม่ได้ทําอะไรพวกเราสักหน่อยมนุษย์มีความหวาดกลัวและคิดทําร้ายงูเห่าทันทีไม่ได้พบเห็น ทั้งๆ ท, ที่งูเห่าชนิดที่น่ากลัวที่สุดนั้นอยู่ในจิตใจของมนุษย์เองแต่พวกเขากลับไม่เคยรู้ตัวและไม่คิดจะกาจัดงูเห่าในจิตใจเหล่านั้นออกไปเลย <S <S แล้วเศรษฐีคมก็หันไปมองงูเห่าก่อนจะรวบรวมสมาธิและพูดกับงูเห่าตัวนั้นว่า <ying. S 1> เจ้าอยู่ในป่าก็ดีและปลอดภัยอยู่แล้วอย่าเข้ามารบกวนพวกเราและ เสี่ยงให้เกิดอันตรายแก่ตัวเจ้าเองเลยเราไม่ทำร้ายเจ้าเจ้าก็ไม่ทำร้ายเราเราต่างก็ไปอยู่ในที่ซึ่งเหมาะกับพวกเราดีกว่านะเมื่อเศรษฐีคมพูดจบงูเห่าตัวนั้นก็ค่อยๆก้มหัวลงและเลื้อยกลับเข้าไปในป่าโดยไม่ได้ทำร้ายเศรษฐีคมและครอบครัวของเขาเลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นเจ็วันเป็นวันเกิดของเศรษฐีคม บรรดาบ่าวไพรในบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันจับปลาจากคลองใหญ่หลังครหาดเพื่อทำเป็นกับข้าวเลิศรสให้ท่านเศรษฐีรับประทานในวันเกิดปีนี้แต่บังเอิญเศรษฐีคมเดินผ่านมาบริเวณนั้นพอดีเมื่อเห็นปลาที่จับได้แออัดอยู่ในตุ่มใบเล็กๆเศรษฐีคมจึงถามบ่าวไพรแถวนั้นว่าพวกเขาจับปลามากมายอย่างนี้ไปทาอะไรกันบ่าวสาวคนหนึ่ง ตอบว่าพวกเราอยากให้ในายท่านได้รับประทานอาหารที่ปรุงมาจากปลารสเลิศในวันเกิดปีนี้จึงชวนกันมาจาับปลาตัวใหญ่ๆรสชาติดีไปทำอาหารให้กับนายท่านเจ้าค่ะเศรษฐีคมฟังคำตอบแล้วนิ่งอึ้งไปชั่วขณะเขามองบรรดาปลาที่นอนอัดอยู่ในตุ่มใบเล็กอย่างสั่งเวทใจและเพื่อให้ตนเองมีชีวิตรอดแล้ว ปลาบางตัวจึงพยายามดีดตัวขึ้นสุดกำลังเพื่อหวังจะพ้นจากปากตุ่มให้ได้แต่แทบไม่มีความหวังเลยเพราะปากตุ่มใบนี้มีขนาดแคบมากไปเรียกบ่าวไพ่ที่กำลังจับปลาทุกคนมาหาค่าสิเศรษฐีคมสั่งบ่าวคนหนึ่งเมื่อบ่าวไพรที่ช่วยกันจับปลาทุกคนมารวมตัวกันหน้าเขาแล้วเศรษฐีคมก็กล่าวขึ้นว่า ข้ารู้สึกซาบซึ้งใจมากที่พวกเจ้าทุกคนลงแรงเพื่อข้าขนาดนี้แต่เมื่อเห็นสภาพปลาเหล่านั้นข้าก็รู้สึกสงสารจับใจจนกินไม่ลงอย่างนั้นก็เถอะพวกเจ้าก็อุตส่าห์ลงแรงกันถึงเพียงนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้าใจข้าก็จะขอซื้อปลาทั้งหมดนี้ไว้และขอให้พวกเจ้านําปลากลับไปปล่อยในคลองดังเดิม ถ้าอย่างนั้นนายท่านก็ไม่ได้กินอาหารรดเลิดในวันเกิดสิขอรับเบาหนุ่มคนหนึ่งร้องขึ้นอย่างเสียดายการทำบุญช่วยชีวิตผู้อื่นคือของขวัญล้ำค่าที่สุดแล้วหากเราไม่เบียดเบียนชีวิตปลาพวกนี้และนำมันกลับคืนผืนน้ำดังเดิมได้ก็เท่ากับพวกเจ้าได้มอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดให้แก่ข้าแล้ว เมื่อได้ยินนายของตนเอ่ยมาเช่นนั้นบรรดาบ่าวไพร่ก็ยอมทาตามที่เศรษฐีคมต้องการโดยไม่มีข้อสงสัยอะไรอีกแล้วชีวิตของเศรษฐีคมก็มีความสุขเรื่อยมาจนกระทั่งคืนหนึ่งที่วัดประจามู่บ้านมีการจัดงานวัดอย่างยิ่งใหญ่เศรษฐีคมจึงพาภรรยาและลูกพร้อมด้วยบ่าวไพร่ที่อยากไปชมงานวัดอีกจานวนหนึ่งไปเที่ยวด้วยกัน ด้วยความที่ภรรยาใจร้อนอยากไปถึงวัดแห่งนั้นเร็วเศรษฐีคมจึงพาทุกคนเดินไปทางลัดซึ่งต้องผ่านป่าทึบโดยหารู้ไม่ว่ามีกลุ่มโจรใจทมินมาดักป้นฆ่าเอาทรัพย์สินของชาวบ้านแฝงตัวอยู่ในบริเวณนั้นด้วยเมื่อเดินเข้าเขตป่ามาได้เพียงครึ่งทาง พวกโจรร้ายก็แสดงตัวและปล้นเอาทรัพย์สินของเศรษฐีคมและภรรยารวมถึงเงินทองอีกเล็กน้อยของบ่าวไพร่ที่ติดตามไปจนหมดนอกจากนั้นหัวหน้าโจรยังประกาศอย่างแข็งกร้าวอีกว่าตามกฎของข้าใครก็ตามที่เห็นโฉมหน้าข้าซึ่งเป็นหัวหน้าโจรมันผู้นั้นจะต้องถูกฆ่าทิ้งไม่ให้รอดกลับไปแจ้งข่าวนี้แก่ทางการได้ข้ามันให้หมด หัวหน้าโจรหันกลับไปสั่งประโยกหลังแก่บรรดาลูกสมุนแต่ยังไม่ทันที่พวกมันจะได้ทำร้ายใครลูกสมุนคนหนึ่งก็ร้องขึ้นว่าโอ้ยท่านหัวหน้าขาถูกอะไรก็ไม่รู้กัดที่ขาอีกคนร้องตามมาติดๆข้าด้วยอะไรก็ไม่รู้กัดเท้าข้ามืดๆอย่างนี้ข้ามองไม่เห็นเลย อ่ะข้าเห็นแล้วงูเหา่างูเหา่าตายละหัวหน้ามันมาเป็นกองทัพเลยนะเนี่ยสมุนอีกคนร้องและไม่ทันขาดคำเขาก็ถูกงูเห่ากัดไปอีกราย เมื่อได้ยินลูกน้องว่าดังนั้นและเริ่มสัมผัสได้ถึงเมือกลื่นมากมายที่เคลื่อนเสียดสีขาผ่านไปมาท่ามกลางความมืดหัวหน้าโจนและสมุนที่เหลือก็กระโดดโยงด้วยความตกใจพวกมันวิ่งแนบฝาความมืดออกจากป่าไปโดยมีเหล่างูเห่าเลื้อยตามไปอย่างไม่ยอมลดละจนเมื่อวิ่งมาถึงลคลองพวกโจนคิดว่ารอดแน่แล้วจึงรีบกระโจนลงไปทันที เหล่างูเห่าตามมาจนถึงริมคลองก็หยุดและเลื้อยกลับเข้าป่าไปพวกโจรดีใจมากแต่แล้วจูจ่ๆน้ำในคลองก็เกิดแรงกระเพื่อมผิดปกติและเมื่อพวกโจรเพ่งพินิจ ด, ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในลำคลองอย่างตั้งใจทั้งหมดก็ตกใจจนแทบสิ้นสติฝูงปานับร้อยนับพันจากทุกทิศ ต่างตรงเข้ามาล้อมก่อบพวกโจรไว้พร้อมกันนั้นเหล่าปลาก็พุ่งเข้าโจมตีพวกโจรอย่างรุนแรงแม้ปลาจะไม่มีเขี้ยวแหลมคมและไม่มีพิษเหมือนงูเห่าแต่เมื่อปลาทุกตัวรวมตัวกันเข้าจู่โจมเช่นนั้นก็รุนแรงพอที่จะสร้างความเจ็บปวดทรมานให้แก่พวกโจรได้ไม่แพ้กัน ตอนนั้นเองเศรษฐีคมและพวกชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างก็วิ่งตามมาเพื่อจะช่วยกันจับโจรไปส่งทางการพวกปลากระจายตัวออกทันทีเมื่อชาวบ้านมาถึงและชาวบ้านก็จับพวกโจรได้อย่างง่ายดายเพราะพวกนั้นเจ็บปวดไปหมดทั้งตัวและไม่เหลือเรียวแรง ใ, ใดๆไว้ต่อสู้ขัดขืนอีกแล้ว ไม่มีใครรู้เลยว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะความช่วยเหลือจากงูและปลานอกจากเศรษฐีคมเพียงผู้เดียวเธอทั้งหลายโลกของเราคือเงาสะท้อนตัวเราเองไม่ว่าเราจะเห็นอะไรหรือคิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสะท้อนมายัางเราทั้งสิ้นดังนั้นเราจึงควรกระทำแต่ความดีมองเห็นแต่สิ่งดีดี ทำดีคิดดีพูดดีและมีจิตวิญญาณที่ดีมีความเมตตาให้แก่ผู้อื่นอยู่เสมอเพราะเมื่อเรามีแต่สิ่งดีๆเราก็ย่อมอยากจะกระทำดีต่อผู้อื่นด้วยและสิ่งนั้นก็จะสะท้อนกลับมาสู่เราดังนั้นเมื่อเราเป็นผู้ให้ก็ย่อมจะมีโอกาสได้เป็นผู้รับด้วยเปรียบดังกระจกเงาหากเรายืนมองตัวเอง ตัวเราเองก็จะมองเราตอบมาหากเราแลบลิ้นกระจกก็แลบลิ้นหากเรานิ้วหน้ากระจกก็นิ้วหน้าและเมื่อเรายิ้มกระจกก็ยิ้มให้เราด้วยนี่คือสิ่งที่เธอควรจดจาและเราลึกถึงอยู่เสมอในยามที่คิดจะกระทำสิ่งใดกับใครก็ตาม